ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกุละสังคหวินิฉัยคาถาต่อเพียกสูใดนำไปให้เองก็ดีให้นำไปให้ก็ดีเรียกมาให้เองก็ดีใช้ให้เรียกมาให้ก็ดีหรือว่าให้ดอกไม้ที่เป็นของตนอย่างใดอย่างหนึ่งแก่บุคคลทั้งหลายที่เข้าไปหาเองเพื่อประโยชน์แก่การสมคลอ์ตระกูล ภิกษุนั้นต้องอาบัตทุกกฎให้ดอกไม้ของคนอื่นเป็นทุกกฎเหมือนกันให้ด้วยไถยจิตพระวินัยทรนเพิงปรับตามราคาสิ่งของแม้ในของสงก็มีในอย่างนี้เหมือนกันส่วนความแปลกการดังต่อไปนี้เป็นอาบัตทุนลจัยแต่ภิกษุผู้ให้ดอกไม้ที่เขากำหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่เสนาสนะโดยถือว่าตนเป็นใหญ่ ถามว่าชื่อว่าดอกไม้ควรให้แก่ใครไม่ควรให้แก่ใครตอบว่าสําหรับมานาบิดานําไปให้เองก็ดีให้นําไปให้ก็ดีเรียกมาให้เองก็ดีให้เรียกมาให้ก็ดีควรทั้งนั้นสําหรับญาที่เหลือเรียกมาให้เท่านั้นย่อมควรก็แล้วในการให้ดอกไม้นั้นเพื่อประโยชน์แก่การบูชาพระรัตนตรัยจึงควรแต่จะให้ดอกไม้แม้แก่ใครใคร เพื่อประโยชน์แก่การประดับเพื่อประโยชน์แก่การบูชาศิวลึงเป็นต้นไม่ควรแม้เมื่อจะให้นำไปให้มารนานบิดาควรให้สามเณรผู้เป็นญาติเท่านั้นให้นำไปให้ส่วนสามเณรผู้ไม่ใช่ญาตินอกนั้นถ้าปรารถนาจะนำไปเองเท่านั้นจึงควรให้นำไปเพกสู่ผู้แจกดอกไม้ที่ได้รับสมุดจะให้ส่วนเกิงหนึ่งแก่สามเณรผู้มาถึงในเวลาแจกดอกไม้ก็ควร ในปุรุนทีกล่าวว่าควรให้ครึ่งส่วนแต่พวกกษัตริย์ที่มาถึงในมหาปัญ จ, จรีกล่าวว่าควรให้แต่น้อยภิกสุผู้ไม่ได้รับส ม, มุิควรอภิโลกให้พวกสามเณรผู้มีความเคารพในอาจารย์และอุปชายยะได้นำดอกไม้เป็นอันมากมากองไว้พระเถระทั้งหลายให้แก่พวกสัตทีวิหาริกเป็นต้นหรือแก่พวกอุบาสกผู้มาถึงแต่เช้าตรู่ด้วยกล่าวว่า เธอจงถือเอาดอกไม้นี้เธอจงถือเอาดอกไม้นี้ไม่จัดว่าเป็นการให้ดอกไม้พวกภิกษุผู้ถือเอาไปด้วยคิดว่าพวกเราจะบูชาพระเจดียด์ก็ดีกําลังทําการบูชาก็ดีให้แก่พวกกษัตริย์ผู้มาถึงในที่นั้นๆเพื่อประโยชน์แก่การบูชาพระเจดีย์และการให้นี้ก็ไม่จัดเป็นการให้ดอกไม้พิกสุเห็นุบาศกกําลังบูชาด้วยดอกรักเป็นต้นแล้วกล่าวว่า อุบาสกทั้งหลายดอกกรญชกาเป็นต้นที่วัดมีพวกท่านจงไปเก็บเอาดอกกอัญชกาเป็นต้นนั้นมาบูชาเถิดดังนี้ก็ควรพวกชาวบ้านถามพิสุทั้งหลายผู้ทำการบูชาด้วยดอกไม้แล้วเข้าไปอย่างบ้านค่อนข้างสายว่าเพราะเหตุไรขอรับพวกท่านจึงมาสายนะักพวกพิสุ ต, ตอบว่าที่วัดมีดอกไม้มากพวกเราได้ทาการบูชาก่อนเข้ามา พวกชาวบ้านได้ทราบว่าได้ยินว่าที่วัดมีดอกไม้มากวันรุ่งขึ้นจึงถือเอาของฉันของเคียวเป็นอันมากไปสู่วัดกระทำการบูชาด้วยดอกไม้และถวายทานการพูดนั่นก็สมควรพวกชาวบ้านขอวาระดอกไม้ว่าท่านขอรับพวกกระผมจะบูชาณวันชื่อนั้นแล้วมาในวันที่อนุญาตและพวกสามเนินได้เก็บดอกไม้ไว้แต่เช้าตรู่ พวกชาวบ้านเมื่อไม่เห็นดอกไม้ที่ต้นจึงพูดว่าดอกไม้อยู่ที่ไหนขอรับพระเถระทั้งหลายตอบว่าพวกสามเณรเก็บไว้ก็พวกท่านจงไปบูชากันเถิดสงจากบูชาในวันอื่นพวกชาวบ้านเหล่านั้นพรางกันบูชาถวายทานแล้วไปการพูดอย่างนั้นก็ควรแต่ในมหาปัญจราฏและกุลุนทีท่านกล่าวว่า พระเถระทั้งหลายย่อมไม่ได้เพื่อใช้ให้พวกสามเณรให้ถ้าพวกสามเณรให้ดอกไม้เหล่านั้นแก่พวกชาวบ้านเหล่านั้นเสียเองนั่นแหลการให้นั้นสมควรแต่พระเจระทั้งหลายควรกล่าวคำเพียงเท่านี้ว่าพวกสามเณรเก็บดอกไม้เหล่านี้ไว้แต่ถ้าว่าพวกชาวบ้านขอวาระดอกไม้แล้วเมื่อพวกสามเณรไม่ได้เก็บดอกไม้ไว้ถือเอายากูและพัดเป็นต้นมาแล้วกล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงให้สามเณรทั้งหลายเก็บให้การใช้ให้พวกสามเณรผู้เป็นญาติเท่านั้นเก็บให้จึงควรพระเถระทั้งหลายยกพวกสามเณรที่วิช่ญาตขึ้นวางบนกิ่งไม้พวกสามเณรไม่ควรลงแล้วหนีไปเสียควรเก็บให้ในมหาปัญจริีและกุรุนทีกล่าวว่าก็ท่าว่าพระธรรมกัทถ์ต่างรูปจะกล่าวว่าอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายดอกไม้ที่วัดมีเมาก พวกท่านจงถือเอายาคูและพัดเป็นต้นไปทําการบูชาด้วยดอกไม้เถิดยาคูและพัดเป็นต้นนั้นย่อมไม่ควรแก่พระธรรมกถถึกเท่านั้นแต่ในมหาอัตถกถาท่านกล่าวไว้โดยไม่แปลกกันว่ายาคูและพัดเป็นต้นนั้นเป็นอักัปปิยะไม่สมควรเพราะว่าเหมือนกับออกปาไปบอกเขาก่อนนะในเร่งร้อนให้เขาเอาข้ายาคูแล้วก็พัดมาแล้วก็ไม่สมควรแก่ผู้กล่าว แต่ในมาหาเถรฐานนี้ท่านก็บอกเป็นอังกัปยะเลยคือไม่ควรแก่พิสูรรูปอื่นด้วยแม้ผลไม้ที่เป็นของตนจะให้แก่มาดาินดาและพวกญาติที่เหลือย่อมควรโดยในนํำกล่าวแล้วนั่นแลแต่เมื่อพิสูรผู้ให้เพื่อประโยชน์แก่การสเครา์ตระกูลพึงทราบว่าเป็นทุกกดเป็นต้นด้นเพราะผลไม้ของตนของคนอื่นของสงของคนอื่นทุกกฎเหมือนกันของสงก็ ถ้าให้ด้วยความเป็นใหญ่นะอบับบัตุลใ จ, จหรือว่าให้ของที่เขาจัดไว้เพื่อเป็นของเสนาสนะดยในดังกล่าวแล้วนั่นแลเฉพาะผลไม้ที่เป็นของตนจะให้แก่พวกคนไข้หรือแก่พวกอิสระชนผู้มาถึงซึ่งหมดสเสบียงลมก็ควรไม่จัดเป็นการให้ผลไม้แม้ภิกษูผู้แจกผลไม้ที่สองสมมุติจะให้กิงส่วนแก่พวกชาวบ้านผู้มาถึง ในเวลาแจกผลไม้แก่สงก็ควรผู้ไม่ได้รับสมมติควรอภโลกให้แม้ในสังฆารามสงก็ควรทำกติกาไว้ด้วยการกําหนดผลไม้หรือด้วยกําหนดต้นไม้เมื่อพวกคนไข้หรือพวกคนอื่นขอผลไม้จากผลไม้หรือจากต้นไม้ที่กําหนดไว้นั้นพึงให้ผลไม้สี่ห้าผลหรือพึงแสดงต้นไม้ตามที่กําหนดไว้ว่า พวกเธอถือเอาจากต้นไม้ดีได้แต่ไม่ควรพูดว่าผลไม้ที่ต้นนี้ดีพวกเธอจงถือเอาจากต้นไม้นี้พิกษุให้จุรนสนหรือน้อำฝาดอย่างอื่นของตนเพื่อประโยชน์จากการสงเคราะห์ตระกูลเป็นทุกกฎแม้ใดของคนอื่นเป็นต้นก็พึงทราบวิธีใชยโดยในดังกล่าวมาแล้วส่วนความแปลกการดังต่อไปนี้ เลือกไม้แม้ที่สงรักษาสมวนไว้ก็จัดเป็นครุพันแท้แม้ในพวกดินเหนียวไป้ชมราระฟันไบไพ่และใบลานบัณฑิตรู้จักของที่เป็นครุพันแล้วพึงทราบลิิชัยดังกล่าวแล้วในจุรนนั่นแลกรรมคืองานของทูตและการส่งข่าวสารของพวกขุนหัตท่านเรียกว่าชังคะเอสดิยะกรรมคือการส่งข่าวนั้นภิกษุไม่ควรทําด้วยว่าเมื่อภิกษุ รับข่าวสารของพวกกษัตริ์แล้วเดินไปเป็นทุกกฎทุกทุกย่างก้าวแม้เมื่อฉันโภชนะที่อาศัยกรรมนั้นได้มาเป็นทุกกฎทุกทุ่งคำกลืนแม่เมื่อไม่รับข่าวสารแต่แรกภายหลังตกลงใจว่าบัดนี้นี้คือบ้านนั้นเอาละเราจะแจ้งข่าวสารนั้นแล้วแวะออกจากทางเป็นทุกกฎทุกทุกย่างก้าวเมื่อฉันโภชนะที่บอกข่าวสารได้มาเป็นทุกกฎโดยในก่อนเหมือนกัน แต่พิกโตมไม่รับข่าวสารแล้วเมอเมื่อถูกกระหดถามว่าท่านขรัคผู้มีชื่อนี้ในบ้านนั้นมีข่าวคราวเป็นอย่างไรดังนี้จะบอกก็ควรในปัญหาที่เขาถามไม่มีโทษคือก็ถามคําถามถา ม, ถามปัญหาก็าต่อไปตามคํำถามไม่มีโทษแต่จะส่งข่าวสารของพวกสราธมิเพของมานาบิดาและคนปันดุปราตคือคนมุ่งจะบวชและวิยาวิจกรของตนควรอยู่ ส่งข่าวสารได้และเขามีข่าวกราวเกี่ยวกับเรื่องด้านนู่อะไรผมเ ข, ขาก็ส่งได้เพราะว่าผู้ดีก็จัดว่าเป็นสทัทธมิกและพิกสุจะสรงข่าวสารที่สมควรของพวกกษัตริย์ควรอยู่คือข่าวสารที่เกี่ยวกับพระรัตนตรยัยเกี่ยวกับเรื่องของกิจการกรมสงนี่ก็ส่งได้เพราะฉะนั้นพิสุไม่ควรรังเกียจในข่าวสารคือในข่าวเช่นนี้ว่าท่านจงไหวพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามคำของเรา หรือข่าวสารว่าท่านจงไหวพระเจดีย์พระปฏิมาต้นโพพระสังฆเถระหรือข่าวสารว่าท่านจงทำการบูชาด้วยของหอมที่พระเจดีย์หรือข่าวสารว่าท่านจงบูชาด้วยดอกไม้หรือข่าวสารว่าพวกท่านจงมาเถิดที่สุดทั้งหลายให้ประชุมกันพวกข้าพเจ้าจักให้ทานจักให้แสดงธรรมจึงอยู่ข่าวสารที่สมควรเช่นนี้ ไม่ชื่อว่าเป็นกรรมที่ปฏิสงุตด้วยที้หิกรรมแก่ขุหัตถ์ทั้งหลายเฉพาะการส่งข่าวเกี่ยวกับงานของขุหัตถ์เท่านั้นถึงจะไม่ควรก็แลปัจจัยที่เกิดจากกูละดูสกรรมแปดอย่างนี้ย่อมไม่ควรแก่ทธรรมนิษฐทั้งห้าเป็นเช่นกับปัจจัยที่เกิดจากการอวดอุตริมนุสธรรมอันไม่มีจริงและการซื้อขายด้วยรูปยะทีเดียวาเป็นอภรรยะของที่ได้มาด้วยการส่งข่าวนี้ ตัวเองก็ต้องอบับดุกตไม่ควรแก่ยาสตธรรมนิตง้งห้าด้วยเหมือนกับปัจจัยที่ได้มาจากการอวนอุตรินุสธรรมและการซื้อขายด้วยเงินทองทีเดียวก็ภิกษุถูกลงปรับภาชนีกรรมคือถูกขับไล่ออกจากวัดกุลัดูุสกรรมอันเธอกระทมไว้ในบ้านคือนิคมใดและอยู่ในวิหารใดย่อมไม่ได้เพื่อจะเที่ยวไปในบ้านหรือนิคมนั้นไม่ได้เพื่อจะอยู่ในวิหาร และแม้กรรมจะระงับแล้วคือสงถอนตับาชลีกรรมให้แล้วเลิกขับได้แล้วพิจูผู้กระทำกุลและดุสกรรมในการก่อนในตระกูลเหล่าใดไม่พึงรับปัจจัยที่เกิดจากตระกูลนั้นแม้เธอจะถึงความสิ้นไปเห็นอาสวะแล้วก็ตามก็ไม่ควรรับเป็นพระอัหันก็ไม่ควรจะไปรับในบ้านที่เคยทํากูลแลดุสกรรมเอาไว้นะปัจจัยเหล่านั้นจัดเป็นของไม่สมควรแท้ เมื่อภิกตุถูกทายกถามว่าทําไมท่านจึงไม่รับภิกตุตอบว่าเพราะได้กระทําไว้อย่างนี้เมื่อก่อนก็คือเป็นผู้ประนุะสลายสกุลถ้าพวกชาวบ้านกล่าวว่าพวกกระผมไม่ได้ถวายเพราะเหตุอย่างนั้นถวายเพราะท่านมีศีลในบัินี้ต่างหากดังนี้ควรรับได้กุรดุสกรรมเป็นกรรมอันภิกตุกผู้กระทาเฉพาะในสถานที่ให้ทานตามปกติจะรับทาน ตามปกติจากสถานที่นั้นควรอยู่ทางที่ทายกถวายเพิ่มเติมไม่ควรรับอันหนึ่งพระโทษในปัญหาที่ถูกถามไม่มีฉะนั้นใครจะพึงถามทิฏฐกแม่รูปอื่นผู้เข้าไปภายในเรือนในตอนเช้าหรือตอนเย็ยนว่าพระกุณจ้ามาเพื่ออะไรขอรับจึงบอกประโยชน์ตามที่เธอเที่ยวไปเมื่อเขาถามว่าได้หรือยังไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็กล่าวว่าไม่ได้ เขาให้สิ่งใดก็ถือเอาสิ่งนั้นย่อมควรเพราะฉะนั้นถือบาดเข้าไปถ้าเขาถามนี่ก็บอกได้ไม่เป็นอิน ญ, ญาตด้วยทีกตู่ไม่พึงอยู่ในป่าหรือตั้งใจว่าชนจับยกเจ้าเราผู้อยู่ในป่าในความเป็นพระอาหารหันต์ถือในพระเสขะภูมิด้วยวิธีอย่างนี้เพราะการอยู่ป่านั้นเราจักเป็นผู้อันชาวโลกสการะเคารพนับถือบูชาดังนี้เมื่อเธอเดินไปด้วยตั้งใจอย่างนี้ว่า เราจักอยู่ในป่าเป็นอาบัติทุกกฎทุ ก, ท, กทุกย่างก้าเพราะมีพระดำรัสที่ตรัสไว้ว่าดูก่อรภิกษุทั้งหลายอันภิกษุไม่พึงอยู่ป่าด้วยตั้งใจเช่นนั้นภิกษุใดอยู่ป่าด้วยตั้งใจเช่นนั้นต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายอันภิกษุไม่พึงเที่ยวบินตาบาทด้วยตั้งใจเช่นนั้นรูปใดเที่ยวบินตบาทด้วยตั้งใจเช่นนั้นต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายไม่พึงเดินจงกรมด้วยตั้งใจอ ย, อย่างนี้ ถ้าตั้งใจอย่างนี้ก็ต้องอบัตทุกกฎพิษสุดทั้งหลายไม่พึงยืนด้วยตั้งใจอย่างนี้ไม่พึงนั่งด้วยตั้งใจอย่างนี้ถ้ายืนถ้านั่งด้วยตั้งใจอย่างนี้ต้องอบัตทุกกฎพิษุดทั้งหลายไม่พึงนอนด้วยตั้งใจอย่างนี้รูปใดนอนด้วยตั้งใจอย่างนี้ต้องอบัตทุกกฎดังนี้ในกิจ ท, ทั้งปวงมีการสร้างกุดีการเดินจงกรม Baker, การนัง่งการนุ่งห่มเป็นต้นในป่าเป็นทุกกฎทุกทุกประโยคเหมือนกัน เพราะฉะนั้นภิกษุไม่ควรอยู่ในป่าด้วยตั้งใจอย่างนั้นก็คือไม่ตั้งใจให้คนอื่นเขายกย่กกองบูชาสกุลนักคารพถ้าไปตั้งใจอย่างนั้นก็เพียรบัติมีโทษจริงอยู่เมื่อความตั้งใจอย่างนั้นจะได้รับความยกย่องหรือไม่ก็ตามย่อมต้องทุกกดส่วนภิกษุใดสมาทานทุดงแล้วคิดว่าเราจะรักษาทุดงหรือว่าเมื่อพักอยู่ในแดนบ้านมีจิตฟุ้งซ่าน ป่าเป็นที่สบายดังนี้จึงเป็นผู้มีความประสงค์จะอยู่ป่าอันหาโทษไม่ได้ด้วยทำความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราจับบรรลุบรรดาวิเวกสามยางใดยามหนึ่งในป่าแน่แท้ดังนี้ก็ดีว่าเราจับไปสู่ป่ายังไม่บรรลุพระรหัสแล้วจับไม่ออกมาดังนี้ก็ดีว่าชื่อว่าการอยู่ป่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญ เมื่อเราอยู่ป่าเพื่อนพรหมจรีมากมายจะละทิ้งแดนบ้านแล้วอยู่ป่าเป็นวัดดังนี้ก็ดีพิกษุนั้นควรอยู่ในป่าเป็นทุกกฎทุกทุกประโยคตั้งต้นแต่กิจคือการนุ่งหม่มด้วยตั้งใจว่าเราจะวางอิรยิยาบถมีการก้าวไปเป็นต้นแล้วเที่ยวไปเพื่อบินธบาตจนกระทั่งถึงการขบฉันเป็นที่สุดแก่พิกษุผู้แม้เที่ยวไปอยู่เพื่อบินธบาต เธอจะได้รับความยกย่องหรือไม่ก็ตามเป็นทุกกฎทั้งนั้นแต่ภิกษูผู้เข้าไปบินบาบด้วยอิริยบทที่น่าเรื่อมใสมีการก้าวไปและถอยกลับเป็นต้นเพื่อบำเพ็ญขันธกวัดและเสกขีวัรให้บริบูรณ์หรือเพื่อถึงความเป็นทิฏฐานุคติคือเป็นเยี่ยงอย่างแก่เพื่อนครหมารีทั้งหลายเป็นผู้อันวินยูชนทั้งหลายไม่พึงติเตียนแลแม้ในการเดินจงกรมเป็นต้นก็ในดีแล คะถาวินิจฉัยเรื่องการสงเคราะห์ตระกูลในบาลีบุตกะวินยะวินิจฉัยสังเะจบันมุตนาสาธุ